ความสงบย่ำอยู่ที่นั่นคาว่าตั้งใจนี่ตั้งใจด้วยดีเป็นผู้มีสติรอบคอบมีปัญญารู้เท่าสังขานกับความตรูที่หลอกให้เราทั้งหลายหลงที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับ ความไม่สงบเพราะสังขารมันหลอกสังขารที่ดีก็หลอกให้เราหลงดีก็ไม่ให้เราสงบเหมือนกันสังขารที่ไม่ดีก็หลอกให้เราลงงุดหนิดในจิตในใจก็ทําให้เราไม่สงบทําอย่างไรจิตใจจึงจะสงบเมื่อถูกสังขาเรเหล่านี้หลอกเราต้องมีสติและมีปัญญา จะเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารสติปัญญาที่จะมังเกิดขึ้นได้เพื่อความฉลาดความรู้เท่าตามความเป็นจริงเราต้องฝึ ก, กจิตด้วยวิธีการปฏิบัติจิตภาวนาไม่มีการฝึกสินใดดียิ่งกว่าการฝึ ก, กจิตให้มีสติให้มีปัญญาถึงพร้อมโดยสติปัญญาอันถูกต้อง องค์สมเด็จพระชมาสัมพูตเจ้าพระองค์ทรงปฏิบัติหาวิธีการอย่างอื่นมาด้วยหลายวิธีที่เรียกว่าสร้างปารมีไม่มีวิธีอื่นจะยิ่งไปกว่าการฝุดอบรมจิตด้วยการภาวนาเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตภาวนาท่านจึงจับเข้าในบุญกุศลอย่างสูงให้ทานมาไม่ทราบ เ ส, สียสละทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สา ม, มารถทําให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้รักษาศีลมา ถ, ถึงแม้ชลิศสาริ ร, ระหล่ากายก็ย่อมเสียสละได้เพื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์ถึงอย่างนั้นก็ไม่สา ม, มารถที่จะทําให้อาสวะ ให้หมดสิ้นดนับโดยการรักษาสิ้นอย่างเดียวเมื่อพระองค์ได้มาอบรมจิตภาวนาแล้วปรมีอื่นๆก็มารวมอยู่ที่นั้นหมดทานก็อยู่ในการภาวนาเสน่หก็มารวมอยู่ในการภาวนารอราั้งสติปัญญาปารมีกายไว้จาเรียบร้อยไปอยู่ในการภาวนาเมื่อจิตได้รับการอบรมภาวนาได้รับความสงบได้รับความเย็นใจ ได้รับความผ่องสยสแล้วยอมทราบความจริงในการชํารวมกายในการชํารวมวิจาในสการสชั่รวมจิตใจแล้วก็ทราบถึงในการทานบริจาคตลอดถึงในการเมตตาในการการุณาตลอดถึงเข้าใจในเรื่องขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานด้วยเพราะเห็นอานาจเห็นกำลังสินเดลนี้ เมื่อจิตภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ตามมาได้โดยไม่มีข้อแม้สงสัยเพราะเหตุใดเพราะอาศัยจิตที่มีปัญญาฉลาดรู้จักความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นในองค์มรรคท่านสอนสติกภาวนากับสมาธิเป็นขั้นสุดท้าย เป็นเครื่องกำกับควบคุมในการปฏิบัติถ้าสติดะลึกชอบถ้าจิตของเราตั้งชอบคือตั้งอย่างถูกต้องไม่ตั้งไว้ในที่ผิดที่ผิดคือตั้งชอบนั้นตั้งอยู่ที่กายในกายตั้งอยู่ที่จิตเมื่อเรา ตั้งอยู่ในกายสติก็ย่อมระลึกกายเมื่อเราระลึกกายในกายมีประมาณเท่าใดเราก็สามารถจะรู้ธรรมที่มีในกายในส่วนที่เป็นธรรมที่เขาสมมติลองเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชาย ถ้าเรามีสติระลึกกายในกายพิจารณาแล้วถ้าเราถามกืนว่ามนุษย์อยู่ตรงไหนกายในกายของเรานี่เมื่อแยกประเภทนะก็ไม่มีมนุษย์ไม่มีแสบไม่มีบุคคลจะถามอีกว่าเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนเขาก็มีชื่อหมดทุกอย่าง ส่ น, นั้นก็เป็นผอมสิ่ น, นั่นก็เป็นแร่สิ่ น, นั่นก็เป็นฟันสิ่ น, นั่นก็เป็นเนื้อสิ่ น, นั้นก็เป็นน้ำแต่สิ่ น, นั่นก็เป็นกระดูกเมื่อเราแยกโรคความจริงชนิดแล้วคำว่าเรามันก็หมดไปคำว่าหญิงชายก็หมดไปยังเหลือแต่ธรรมคือคำที่มีอยู่ ที่เราเรียกตังชื่อโดยความสมมติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นแต่สภาพความเป็นจริงนวสิ่งล่านี้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ก็ดับไปมีลักษณะอยู่สามอย่างคืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกขอนัตตาความที่ปราศจากตัวตน และเป็นแต่เพียงหลงสมมติยึดถือว่าของตนถ้าเราดูตามความเป็นจริงคำว่าของตนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงน่สังขารจะปรุงมาอย่างไรเราก็รู้เท่าด้วยอำนาจแห่งสติแ่งสบมาทิที่จิตใจสงบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากงานอันนี้เราควร ให้ความสำคัญปฏิบัติโดยความตั้งใจโดยความเคารพในการภาวนาะเพราะไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานที่จะต้องศึกษาจะต้องอบรมจิตใจให้เกิดความเข้าใจให้มีกำลังใจขึ้นมาเป็นงานที่จะรู้ความจริงงานของพระพุทธเจ้าที่พระอค์ปฏิบัติมาได้รู้พบเรื่อยชาต วัตตะสงสารหักพังแหลกลานไปก็เพราะงานอันนี้ทุกทั้งหลายที่ไม่สามารถจะตั้งตัวขึ้นได้พราทั้งหลายไม่สามารถจะก่ อ, อกขึ้นได้ในช่างผู้เป็นตัญหาก็ถูกแยกออกกระจัดกระจายตั้งตัวไม่ติดก่อตัวขึ้นไม่ได้ตัญหาไม่มีที่เหลือเพราะเหตุใด เพราะตัญหาในรูปรูปกระทุกทำลายแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้อตัญหาในเวทนาเวทนาก็ปัญญารู้ความจริงแยกออกแล้วไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะอตัญหาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็ปัญญาไปรู้ความจริงหมดแยกออกแล้วสิ้นเหล่านี้ สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาโดยเพียงสมมุตินะเมื่อความจริงแนละ้วสิ้นที่มีอยู่ที่เรียกแต่ทิฏฐิภูตังมันก็สักแต่มีอยู่เป็นสภาวะธาตนะุและสภาวะภักด์คว่าสภาวะธาตุจนถึงธาตุแล้วไม่มีพลิ้ไม่มีใครเกะใครใครไม่มีใครหลงหรอกนัน แต่สภาวะธาตาุนั้นถูกกิเลสเสกสรรขึ้นมาเลยสร้างขึ้นมาพรุงแตงขึ้นมาก็เลยสาคัญผิดเลยหลงสาคัญว่าเป็นตนเป็นของตนจริงๆเมื่อมีตนแนละ้วมันก็มีของตนขึ้นมามีการสะสมมีการอยากได้เพราะตนที่เรายึดถือนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง แต่สุขก็ไม่แท่งเราต้องการความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนจึงต้องดินรนจึงต้องแสวงหาจึงต้องอาศัยการหาคือความอยากยิ่งอยากเท่าไหรได้มาเท่าไหร่มันก็หมดไปพร้อกันที่เราไดมา้มันก็สุดส่งไป้วยเพราะฉะนั้นความอยากมันหยุดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเหลือต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกตามรนะดับนี่เมื่อมัจนจแล้ว ถ้าไม่มีตนแล้วความเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยแต่สมมุติเราทําลายรูปอปล่อยวางรูปไม่มีรูปเหลือแต่โพรู้ให้จิตสงบเหลือแต่โพรู้พีเดียวการสะสมโดยอํานาจแห่งความโลภโดยอำนาความโกรธความหลงสิ่งแบบ น, นี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย แก่บุคคลผู้มีสติมีสมาธิมีความสงบหรือแต่ดวงจิตดวงเดียวที่วิเวกอยู่สิ่งเหล่านั้นถูกพิจารณาแยกปล่อยวางหมดแล้วไม่ได้ยึดมั่นสำคัญหมายในรูปไม่ได้ยึดมั่นสำคัญหมายในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในโผฏฐัพพะธรรมรมต่างๆหรือธรรมาชาติรู้นะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมชาติโู้ชนิดแล้วลอยวางชนิดแล้ท่านจึงไม่อยากไม่กลับมายินดีในสิ่งที่ทำให้เกิดโมลมาเกิดความหลงแต่ที่เป็นมาแล้วท่านจึงไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกท่านก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนถึงโลกที่สิ้นสุดเดียวกัโลกเหนือโลกเหนือคือสูงกว่าโลกอีก เนี่ยกุศลโลกโลกกุระโลกเหนือเหนือโลกคือความทาลายพกทำลายชาติเพราะั้นการปฏิบัติของเราทั้งหลายควรเอาใจใส่ได้ถือว่าเป็นสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราเป็นการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูผู้เป็นพระศาสดาพระบรมครูของเราพระศาสดาของเราไม่ใช่เป็นเทวดาไม่ใช่เป็นพระศาสดาแต่เราอย่างเดียวท่านยังเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ด้วยเทวดาด้วยแม้แต่อินทร์อยู่ชั้นไหนก็มาเคารพกราบไหว้พระองค์ยอมรับนับถือพระองค์แ่บเป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำเยี่งกว่าโลกทั้งหลาย เรียกว่าเป็นพระไตรโลกก น, นาคคือเป็นเทพึ่งของไตรโลกเทพึ่งของไตรภพเป็นพระศาสดาผู้เป็นใหญ่ที่ถ้าเราไม่พิพจารณาเราก็ไม่ให้ความสำคัญให้ความเคารพเลิกซึ่งเพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเราไม่ทราบ อนุภาพของพระองค์ตามความเป็นจิตถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ความสงบได้ความสุขอาศัยธรรมคําสอนของพระองค์เป็นผู้ช่้หนทางเราแก่รู้ธรรมเห็นธรรมอันดึกซึ้งละเอียดได้สัมผัสสัมพันธ์ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเรายิ่งมีความเคารพเรื่อมใสในพระองค์ผู้ดําเนินการปฏิบัติ แนะแนวทานเราให้เราปฏิบัติตาพระองค์เป็นผู้ที่สามารถฉลาดรอบรู้จริงๆไม่มีชีวิตใดไม่มีอินทรีย์ใดไม่มีศัตใดในไตรภพนี้ยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าในการปรัชโชธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการตัดกิเลสที่ไม่มีอะไรเหลือในการ สั่งสอนอบรมฝึกผลมนุษย์และษัตว์ทั้งหลายไม่มีใครยิ่งกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เรียกลับุริษัทดามาัมราราสาริพระองค์เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่ง ไม่มีใครอื่นยิ่งกว่าพระองค์ถ้ามาตรวจทินิจทร่จันนาแล้วก็ยิ่ง น, น่าอาศัศจรรย์พระองค์ฝึกได้จริงๆแล้วพระองค์ฝึกได้ยังแฉมฉลาบพระองค์ไม่ต้องควบคุมยากแม้แต่ปัจจุบันนีพ้พระองค์ดับขันเข้าสู่กรินิพานแล้วพระองค์ยังควบคุมบริษัทของพระองค์เช่นพวกเราทั้งหลาย ได้มาประพฤติมาปฏิบัติโดยความเสียสละโดยความทนอดทนโดยความพยายาที่เรามาปฏิบัตินี่ก็คื อ, อาการฝ <c oughs> ึกของพระองค์นั่นเองพระองค์ได้ควบคุมพวกเราทั้งหลายให้เกิดความเคารพความเรื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามอย่างโดยความสมัครใจโดยความบริสุทธิ์ใจทํา คำสอนของพระองค์ประโยชน์ที่ไหนประเทศไหนก็ควบคุมได้อย่างเรียบร้อยน่าเรื่มใส่น่านับถือสดับบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามของพระองค์เป็นคนเรียบร้อยจริงๆเป็นคนน่าเคารพนับถือจริงๆไม่ใช่สัตว์สว่างพูดสัตวว่าสมมติเสกสรรขึ้นเป็นความจริงด้วยกายเป็นความจริงทางวาจาเป็นความจริงทางจิตใจ เป็นคุณธรรมคุณสมบัติที่นำประโยชน์มาสู่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติฟึกหัดอบรมเห็นต่อหน้า ต, ต่อตาเพื่อจักในสายตาทั่วโลกทั้งเราทั้งคนอื่นเมื่อประพฤติถูกต้องได้แล้วได้รับความนิยมชมชอบของบรรดานักปรากญบรรดิตทั้งหลายรับรองโดยทั่วไปชักตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของเรา เหมือนกับหลงปู่มั่นเป็นตน้นคนชั้นชันไหนทุกชั้นเมื่อได้ไปในสำนักของท่านแล้วได้เข้าไปกราบไปไหว้ได้รับความยกย่องในรับความสรรเสริญยอมรับว่าท่านเป็นผู้ปฏิบตั ต, บ ต, บ ต, บติตรงปฏิบัติถูกต้องยึดอย่อยในคำคำสอนของพระองค์จิรินแล้วก็ได้รับความเชื่อถือเคารพกราบไหว้บูชา หมอบกายถวายตัวเป็นโรกเิร็จประพฤติปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมาถึงปกครองไม่ใช่สักแต่ว่าผู้ผลงงานมันปรากฏตัว อ, อย่างนี้เราจะไม่อคติจัญญ์อย่างไรในธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าท่านทําประโยชน์เกื้อกูลในตัวของท่าน ให้เกิดเราเกิดความเลื่อมใสนำปฏิปทาเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วได้รับความสงบได้รับความสุขความเย็นใจจิตใจมีสติมีปัญญาพอที่จะเลือกรู้จักเลือกสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วพยายามละได้อย่างที่เราทั้งหลายพยายามละได้แล้วในบางส่วนเราก็เห็นอันนิสง ถ้าหากสิ่งที่เศษเหลืออยู่ที่ยังละไม่ได้ถ้าเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติ ด, ด้วยภาวนาะพิจารณาให้เห็นชัดแล้วต้องละได้ในสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครต้องการทุกต้องการสิ่งที่ไม่ดีแต่มันยังมีเหลืออยู่นั่นเพราะสติปัญญาของเรายังเข้าไปไม่ถึงปิสติปัญญาอันชอบที่เราอบรมถูกต้องเข้าไปถึงแล้วต้องละได้ไม่เป็นสิ่งที่ยากเลย ขอให้เราทาั้งหลายพยายามปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสในจิตในใจจริงๆจะไม่มีอะไรขัดขวางจิตใจผู้ปฏิบัติจริงที่มีสติอันชอบที่มีปัญญาอันชอบเลยแม้แต่เราปฏิบัติมาแล้วเราก็พอรู้จักหนทางเข้าใจถูกต้องบากซึ่งเป็นกําลังให้เราทั้งหลายได้มีศรัทธา ได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องกันตามนันดับนี่เราก็พ่อมองเห็นแนละ้วไปเชื่อตามใครและใครมาหลอกลวงให้เราเชื่ อ, รอเราพิจารณาปรากฏขึ้นในใจของเราเองแล้วไปเชื่อจากจิตใจของเราอันบริสุทธิ์อันปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอันจะติถูกก้องอาศัยธรรมคำสอนของพระองค์ แต่น้ำพังใจของเราแล้วไม่สามารถที่จะเลือกได้ที่เรารู้จักเลือกนั่นก็ใช้คําสอนของพระองค์เป็นผู้ส่องทางให้เราได้มองเห็นให้เรารู้ทิศทางควรไปและไม่ควรไปเราได้รับความเบิ้บางใจเพราะการประพฤตในทางที่ถูกเราอยู่ที่ไหนไม่มีเวรไม่มีภัยเพราะกายวิญ า, าใจของเราสะอาด ไม่ได้สะสมเวรภัยไว้ในจิตในใจเราพยายามชำระสะสรโดยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรพยายามของเราสิ่งเหล่านั้นก็คอยจืดจางไปหมดไปหมดไปเหลือธรรมชาติเหลือธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยความเคารพความออ น, น้อมในการประพฤติในการปฏิบัติต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ เข้ามาอบรมกายอบรมวาจาและอบรมจิตใจของเราให้ตังอยู่ในคุณธรรมคุณสมบัติเราทำได้ละเอียดริงไปกว่านี้คุณธรรมความสุขก็ละเอียดไปตามกันสติปัญญาก็พร้อมที่จะชี้ช่องทางเร า, เราได้สัมผัสสัมพันในธรรมที่เรายังไม่รู้ในธรรมที่เรายังไม่เห็นแต่เราเพียงเจียามแด้เราจะต้องได้ประสบแน่นอน ขอให้เราทั้งหลายอย่าละความเพียรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระตด้ยวยเยาวะเราจะพ้นจะทุกได้เพราะความเพียรแม้พระองค์ก็พ้นได้ความเพียรพระอริยะทรงทั้งหลายก็พ้นจากทุกได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบอพมเพียรพยายามอันชอบนั้นท่านก็ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ให้เราแล้วคือเพียรละความชั่ว ทางกายและวาจาใจนี่แหละเพียงที่ชอบที่ถูกต้องเพียรละไปเถอะความชั่วไม่ใช่มิตรของเราไม่ควรเอาเป็นมิตรไม่ควรเอาเป็นเพื่อนไม่ควรจะเนี่ยยิ่งชำระห่างจากความชั่วเท่าไรยิ่งปลอดภัยเท่านั้นเพียงสร้างความดีนั่นเป็นมิตรแท้มิตรจะมีอุปการะคดเราควรสร้างความดีนี่มิได้สองอย่างเท่านั้น เพียงละความสิ้นที่ไม่ดีแล้วเพียงเจริญความดีเกิดขึ้นโดยกายวาจารใจของเรานี่แหละเรียกว่าเพียงชอบสติในเลือดชอบไม่ใค่ในเลึกดดึงกายในเลึอกายของเราเราได้ละหรือย่างความชั่วทางกายต้องเลือดตรวจดูเอราความชั่วทางวาจาความผิดทางวิจาเราละหรือยังเราเจริญทางกายสมากรรมมันโตกายทําการงานชอบหรือยัง เราเชิญส ม, มาวาจาพูดจาแต่ในสิ่งที่เป็นธรรมระยะดมันชอบธรรมระยะ น, นี้ถ้าเรารู้ว่าเราวาจาใดที่ไม่ชอบธรรมที่มันไม่เป็นไปตามธรรมเราพยายามละคําพูดอันใดเป็นธรรมเราก็พูดเป็นคําสะอาดเป็นคำบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยประโยค์ เรียกว่าเราทําการงานชอบเราพูดจากภาัยชอบเมื่อเรามีความเพียรชอบมีพยายามชอบเนี่ยชื่อว่าเรามีความพยายามความพ้นจากทุกข์ด้วยความพยายามอัเพียรชอบแบบนี้นี่เป็นพระดํำรัสขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าโปรดวางให้เราทั้งหลายจดจํานํามาสอนจิตใจของเราให้เป็นไปตามคําสั่งสอนของพระองค์ ให้เราทาั้งหลายปฏิบัติตรงถูกต้องให้ปฏิบัติดีตามพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุ ป, ปฏิบัตนโนเราทาั้งหลายได้ปฏิบัติดีคือตรงอคือปฏิบัติดีในทางธรรมอุจุ ป, ปฏิปันโนชื่อว่าปฏิบัติตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดําเนินมาเราก็รู้ตัวเราได้ปฏิบั ต, ตบิตรงถูกต้องปฏิบัติชอบ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อจะใดถึงทําชั้นสูงขึ้นไปตามระดับขอให้เราทางหลายพยายามชีวิตที่จะเหมาะสมเหมือนปัจจุบันหายากถ้าเราไม่ทาพยายามในปัจจุบันเนี่เดี๋ยวเราจะเสียใจภายหลังเมื่อถึงเวลานั้นเราทําไม่ได้เราจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นกมีกาลังวางชาหูตาสดใสผ่องไสกระจ่าง ชัดเหมือนแต่ก่อนไม่ได้นะเมื่อถึงเวลานั้นเราไม่แต่เสียใจเมื่อตาดีเราไม่ได้ใช้ตาของเราให้เกิดประโยชน์อันสําคัญยิ่งเมื่อหูดีเราไม่ได้ใช้หูของเราให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญยิ่งเมื่อกายกําลังวังชาของเราดียังไม่ได้ใช้ก า, ายของเราให้เกิดประโยชน์ยิ่งมีแต่มัวเอมาหลงไปใช้ในทางอื่นจนสายเสียแลว้วข้ามเสียแลว้วแล้วกลับ หมดกำลังที่จะทำเสียแล้วเลยนอนทุกใจย้อมจำนวนให้ทุกครอบงำจิตเศร้าหมองเพราะเรื่องนี้เราก็ไปสู่สุขติหน้าเสียใจที่เราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นอย่าให้ความเสียใจประเภทนี้เกิดขึ้นในเราทั้งหลายผู้อยู่ใกล้ชิดคุณประพฤติธรรมปร ะ, ประสง์ที่มุ่งมั่นมีศรัทธากามาประพฤติปฏิบัติควรอดทนเพียรพยายาม เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีให้ได้อย่าเชื่อใจในสกิเลที่ช่วยชักชวนไปให้เหินหากจากการประพฤติผิดเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วจดจำว้ธีดีพิจารณาปฏิบัติตามจากนี้ต่อไปให้ภาวนาต่อสงควรเก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน